กระบวนการของการศึกษาได้กล่าวแล้วว่าแกนนำแห่งกระบวนการของการศึกษาได้แก่สมาทิทฐิเมื่อมีสมาทิทิเป็นแกนนำและเป็นฐานแล้วกระบวนการแห่งการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดาเนินไปได้กระบวนการนี้แบ่งเป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆเรียกว่า ตรายศิขาศิกขาหรือหลักการศึกษาสามประการคือหนึ่งการฝึกฝนพัฒนาในด้านความประพฤติระเบียบวินัยความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะเรียกว่าอธาิศิลและศิขาเรียกง่ายๆว่าศีล2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 หลักการศึกษาสามประการนี้จัดวางขึ้นไว้โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกว่าวิธีแก้ปัญหาของอริยชนเป็นพื้นฐานวิธีแก้ปัญหาแบบอริยชนนี้เรียกตามคำบาลีว่าอริยมรรคแปลว่าทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทำให้เป็นอริยชนหรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของการปฏิบัติแปดประการคือหนึ่งทัศนะความคิดเห็นแนวคิดความเชื่อถือทัศนคติค่านิยมต่างๆที่ดีงามถูกต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือตรงตามสภาวะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบ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 แต่สุภาพนิ่มนวลชวนให้เกิดไมตรีสามัคคีกันถ้อยคำที่มีเหตุผลเป็นไปนในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์เรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบหาการกระทำที่ดีงามสุจริตเป็นไปนในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกัน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 และความนึกคิดของตนไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุมาชุดประชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสียเรียกว่าสัมมาสติระลึกชอบ 8. ความมีจิตตั้งมั่นจิตใจดำเนินอยู่ในกิจในงานหรือในสิ่งที่กำหนดคืออารมณ์ได้สม่ำเสมอ แนวแน่เป็นหนึ่งเดียวสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกวันไหวบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมัวนุ่มนวลผ่อนคลายไม่เครียดไม่กระด้างเข้มแข็งเอางานไม่หดหูท้อแท้พร้อมที่จะใช้งานทางปัญญายังได้ผลดีเรียกว่าสัมมาสมาธิจิตมั่นชอบ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 1. อาทิศีลสิกขาคือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเจริญ ง, งอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติวินัยและความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอริยชนเป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 2. อ, อธิจิตตสิกขาคือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรมมีคุณภาพจิตสมถภาพจิตและสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอริยชนเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี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 จะดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าสมาทิฏฐิที่เป็นแกนนำแห่งกระบวนการของการศึกษานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยแห่งสมาทิฐิสองประการดังนั้นในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจุดสนใจที่ควรเน้นเป็นพิเศษคือเรื่องปัจจัยแห่งสมาทิฐิที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแหล่งเป็นที่มาของการศึกษา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 ก็จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการแห่งการศึกษาซึ่งเขียนให้ดูได้ดังนี้จุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาของการศึกษาปารโตโคสะที่ดีเสียงจากผู้อื่นอิทธิพลจากภายนอกละโยนิโสมนสิการรู้จักคิดคิดถูกวิธีเป็นปัจจัยภายในทั้งสองอย่าง นำไปสู่สมาธิและไปสู่กระบวนการของการศึกษาคืออธิศีลสิกขาความประพฤติวินัยสุจริตกายวาจาและอาชีพอธิจิตศิขาคุณธรรมคุณภาพสุขภาพและสมรรถภาพของจิตอธิปัญญาศิกขาความเชื่อค่านิยมความรู้ ความคิดถูกต้องดีงามตรงตามจริง